กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่24เรื่องมิใช่ใช้อาวุธเป็นอย่างเดียวก่อนหน้ากำหนดเปิดการแข่งขันคัดเลือกผู้มีฝีมือไว้รับราชการหนึ่งเดือน ราชบุรุษก็เที่ยวเป่าประกาศเชิญผู้สนใจในการแสดงฝีมือให้เตรียมตัวและฝึกซ้อมไว้เพื่อจะได้เข้าแข่งขันรับการคัดเลือกต่อไปพอข่าวนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปสำนักฝึกซ้อมสตราอาวุธและแม้หมวยปล้ำก็เปิดขึ้นหลายแห่งทั้งในและนอกพระมหานครครูดาบซึ่งประกาศเลิกสอนวิชาดาบไปแล้วจาเดิมแต่การที่บุตรของตนออกจากบ้านไป ก็จำเป็นต้องเปิดควบคุมการซักซ้อมอีกเพราะทนต่อการโรบเร้ากราบไหว้อ้อนวอนของสิทธ์เก่าทั้งหลายไม่ได้ที่บ้านนักเลงสกานั้นก็ได้มีการฝึกหัดซักซ้อมกันเต็มที่ทั้งเช้าและเย็นเช่นเดียวกันแต่ความมุ่งหมายใหญ่ของนักเลงสกาและบุตรครูดาบก็คือขอให้บุตรครูดาบได้คารราชการมีตาแหน่งทางทหารไว้ก่อนส่วนสิทธิคนอื่นๆจะชนะหรือไม่ ไม่เป็นประมาณเพราะถ้าบุตรครูดาบได้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วสิทธิ์ทั้งหลายก็คงมีโอกาสได้ร่วมมือด้วยในภายหลังเนื่องจากการแข่งขันได้แบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นประเภทมือเปล่าประเภทไม้พลอง ประเภทอาวุธเช่นธนูและศรกับประเภทสัตราเช่นหอกดาบเป็นต้นผู้สนใจหรือมีความชํานาญในทางไหนก็เตรียมตัวฝึกซ้อมและสมัครเข้าแข่งขันในทางนั้นมหาอํามาตย์ผู้ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกได้รับปรชะชามติการพิเศษเป็นความลับว่าในการแข่งขันคัดเลือกทั้งนี้แม้จะเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าผู้มีฝีมือดีจะชนะการแข่งขัน แต่ผู้จะได้รับการคัดเลือกให้มีตําแหน่งหน้าที่สําคัญนั้นจะต้องมีการสืบสวนประวัติความรู้ความสามารถสติปัญญาความประพฤติและทยาใสายใจคอโดยรอบคอบผู้ใดในการแข่งขันได้แสดงความเป็นผู้มุทะลุดุดันหรือน้ําใจสามเอาเปรียบผู้อื่นโดยอาการอันน่ารังเกียจหรือเป็นผู้ที่มีมารยาทดีก็ให้มีกําหนดหมายไว้เป็นพิเศษและข้อสําคัญจะต้องให้ผู้สมัครแก่งนามสถานที่ ที่อยู่พร้อมทั้งนามบิดามารดาและการสืบสกุลไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนต่อไปเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแล้วจะมีรางวัลพิเศษแก่ผู้ที่มีมารยาทและน้ำใจอันสูงโดยไม่ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแต่ให้มีการสังเกตกำหนดไว้ในระหว่างที่มีการแข่งขันนั้น ครันถึงวันแข่งขันผู้ที่สมัครไว้แล้วก็มาประชุมตามที่นัดหมายและเนื่องจากมีผู้แข่งขันในแต่ละประเภทมากด้วยกันจึงต้องแบ่งจํานวนให้เหมาะสมเป็นวันวันไปซึ่งกะวว่าจะเสร็จสิ้นถึงวันของคู่จริงรางวัลชนะในแต่ละประเภทก็จะกินเวลาไม่น้อยกว่า30วันมหาชนก็พากันมาชมการแข่งขันนี้อยู่เนืองแน่นติดต่อกันเพื่อคอยดูผลว่า ใครจะเป็นผู้เลิศในการต่อสู้มือเปล่าในประเภทไม้พลองประเภทสัตตราและประเภทอาวุธตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดครูดาบซึ่งตั้งสำนักอยู่นอกพระมหานครพร้อมด้วยภริยาได้มีความสนใจพิเศษในการแข่งขันประเภทสัตตราเพราะบุตรของตนอย่างไรก็คงเข้าแข่งขันด้วยซึ่งก็เป็นความจริงตามที่คาดไว้บุตรครูดาบได้เข้าแข่งขั น, นและสามารถเอาชนะกู้ต่อสู้ได้ ในคราวแรกโดยง่ายได้ในวาระที่สองบุตรครูดาบพบกับผู้มีฝีมือสูงกว่าเดิมทั้งเป็นคนมีกำลังดีต้องใช้เวลาค่อนข้างนานจึงสามารถเอาชนะได้เชชนะทั้งสองครั้งนี้ทำให้บุตรครูดาบเป็นที่สนใจของคนทั้งหลายมากขึ้นแม้ครูดาบและภริยาซึ่งไปดูอยู่ด้วยก็พลอยเพื่อปิติยินดีเช่นเดียวกันในวาระที่สบุตรครูดาบ ได้ชัยชนะอีกในวาระที่4บุตรครูดาบได้พบคู่ต่อสู้ที่ชํานาญในการรับและล่อหลอกแต่ไม่ชํานาญในการรุกมีเรื่องที่โย่โทสะอยู่ตลอดเวลาก็คือบุตรครูดาบไม่สามารถทําอะไรจะคู่ต่อสู้ได้เพราะรู้จักหลบหลีกและลวงให้ฟันผิดให้ก้าวเท้าผิดเป็นต้นนิสัยมุทะลุอันซ่อนตัวอยู่ก็ปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยบุตรครูดาบ แสดงอาการโกรธเคืองและหมฟันอย่างหนักยิ่งคู่ต่อสู้รบได้หรือหลีกได้ก็เหมือนยิ่งยั่วให้แ้นเขืองเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณบุตรครูดาบระดมกำลังเรี่ยวแรงและเพลงอาวุธออกใช้จนเกือบจะเรียกว่าหมดฝีมือก็ยังไม่สามารถฟันผ้าโพกของคู่ต่อสู้ได้ถึงสามครั้งเมื่อจนหมดเวลาบุตรครูดาบฟันด้วยดาบหวายผ้าโพกเป็นครั้งที่สอง แต่เพราะความประมาทตัวเองก็ต้องถูกปลายดาบไหวของคู่ต่อสู้เฉียวเอาที่แจ่มมีเลือดไหลครั้นหมดเวลามหาอัมมาตที่ร่วมกันเป็นคณะผู้ตัดสินก็สั่งระ ง, งับการต่อสู้และตัดสินให้เสมอกันโดยจะนัดวันให้แข่งขันกันใหม่ในวันอื่นในเมื่อต้องแข่งขันกับผู้อื่นจนเข้ารอบคัดเลือกรอบที่สองได้แล้วเมื่อคลำดูแผลเลือดไหลที่แจ่มบุตรครูดาบ กระดึกถึงคำของบิดาทันทีว่าความทนงหรือความประมาทนั้นบางทีอาจจะต้องชดเชยด้วยราคาอันแพงคืออาจเป็นเลือดน้ำตาหรือแม้ชีวิตบัดนี้เขาได้ประจักษ์ในการชดเชยความลำพองใจที่ว่ามีฝีมือเป็นที่เยี่ยมยอดไม่มีใครสู้ได้ในอโยธยาแล้วด้วยเลือดสดสที่ไหลรินจากแผลแก้มของตนและถ้าไม่สิ้นสุดเพียงนี้ ไพรเล่าจะกล้ารับรองว่าจะไม่ต้องชดเชยด้วยน้ำตาหรือแม้ชีวิตในการต่อไปครูดาบและภริยาสุดที่จะซ่อนความรู้สึกและซุ่มดูอยู่รอบนอกไม่ได้อีกต่อไปจึงตรงเข้าไปหาบทสุดที่รัก มารดาทลาเข้ากอดบุตรแล้วร้องไห้สอือกเสะอื่นส่วนครูดาผู้เป็นบิดาก็เร่งคัดเลือดให้เป็นการด่วนทั้งท่านมารดาและบิดามีความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่ารอยแผลที่หน้าของบุตรนั้นตนเองมีส่วนบาดเจ็บด้วยกันทั้งสองคนทั้งสองท่านพยายามปลอบโยนและชักชวนให้บุตรของตนกลับไปอยู่ด้วยดังเดิมซึ่งได้ทําให้บุตรครูดาบ ผู้ได้เลือดที่หน้าของตนเป็นครั้งแรกมีใจอ่อนสำนึกถึงคุณของท่านผู้บังเกิดกล้าวก้มลงกราบเท้าทั้งสองแล้วก็ร้องไห้ออกมาเหมือนเด็กๆโดยไม่ทราบว่าตนร้องไห้ทำไมก็ใครเล่าในโลกนี้จะเป็นมิตรแท้เหมือนมารดาบิดาเพราะเมื่อท่านคิดแต่จะให้บุตรทั้งหลายจึงไม่ต้องระแวงในความทรยศถัดหลังเหมือนบุคคลอื่นๆ ในที่สุดบุตรครูดาบก็กลับไปอยู่กับมารดาบิดาของตนเช่นเดิมแต่ก็ไปมาติดต่อกับนักเลงสกาอยู่เสมอการคัดเลือกในรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วมหาอัมมาศได้คัดผู้ที่มีฝีมือไว้ได้10บคนในจํานวนผู้สมัครแข่งขันมีฝีมือดาบ42คนบุตรครูดาบอยู่ในผู้ที่รับการคัดเลือกนั้นด้วยครูดาบก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะอบรมฝึกฝน ให้บุตรของตนเป็นผู้ชนะเลิศให้จงได้แต่ข่าวใหญ่ที่น่ากลัวยิ่งของผู้แข่งขันก็คือในจำนวนนักดาบสิบคนที่คัดเลือกไว้นั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งมีนามว่าไพระวะบุตรทหารเก่าของอโยธยาซึ่งบิดาได้ลงทุนส่งไปเรียนวิชาดาบมาจากเมืองไกลสามารถใช้ดาบมาตระชะเป็นดาบคู่มือได้เป็นอย่างดี อันว่าดาบมาตตชะนั้นเป็นดาบมีน้ำหนักกว่าดาบทั้งหลายเกือบเท่าตัวทั้งมีราคาแพงเกือบจะพอๆพกับดาบทองคําทั้งทั้งที่เป็นดาบเหล็กทั้งนี้เพราะในการทําดาบมาตตชะแต่ละเล่มนายช่างจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเป็นขั้นๆต่ใบเนื้อเหล็กเป็นผงแล้วนํามาคลุกกับชิ้นเนื้อสดให้นกกระเรียนกินเมื่อนกกินเนื้อปนผงเหล็กเข้าไปเช่นนั้นไม่สามารถจะย่อย และถ่ายออกมาได้ก็ตายเขาจึงนํานกมาผ่าท้องล้างคัดเอาผงเหล็กไว้นํามาผสมกับเนื้อสดแล้วให้นกกระเรียนตัวอื่นกินอีกแล้วนกนั้นก็ตายเหมือนนกตัวแรกแล้วก็ผ่าท้องนําผงเหล็กมาคลุกกับเนื้อให้นกกระเรียนตัวอื่นกินอีกโดยในยะ น, นี้ต้องฆ่านกทั้ง7ตัวรวมเจ็ดครั้งและจึงผ่าท้องนาผงเหล็กนั้นมาหลอม เหล็กจะมีความแข็งแกร่งมีน้ำหนักเป็นพิเศษเพราะหลอมตัวกลมเกลื่นเป็นอย่างแนบสนิทเมื่อทำเป็นท่อนเหล็กแล้วก็นำมาตีเป็นดาบธรรมดาดาบมัตตาชะเขาทำเป็นดาบสองคมแต่ถ้าผู้ใดจะทำเป็นดาบคมเดียวนายช่างก็อาจทำให้ได้หรือจะให้ดัดแปลงทำเป็นห อ, อกก็ได้ถ้าทำเป็นดาบจะเปลืองนเนื้เหล็กมากราคาจึงแพงมากขึ้นด้วยอันผู้ที่จะใช้ดาบมัตตชะนั้น จะต้องเป็นผู้มีทรัพย์สินมีฐานะดีจึงจะสามารถซื้อไว้ใช้ได้และแม้ซื้อไว้แล้วถ้ากำลังไม่ดีก็จะรู้สึกว่าดาบหนักเกินไปไม่เหมาะมือหรือผู้มีกำลังดีแล้วแต่ฝีมือดาบไม่ดีก็ดูไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ดาบมัตชะนี้เพราะแพงราคาเปล่าๆฉะนั้นถ้าใครใช้ดาบมาตชะจึงควรประกอบด้วยองค์สามประการคือมีทรัพย์มาก พอที่จะซื้อดาบนั้นได้ 2. กํกำลังเรี่ยวแรงที่จะยกหรือถือดาบได้ไม่หนักเกินไป 3. ฝีมือดาบดีเพื่อจะได้สมกับการใช้ดาบราคาแพงอย่างนั้นอีกรวมเป็น3ประการชนิดอันหนึ่งช่างเหล็กทั้งหลายย่อมไม่ทำดาบชนิดนี้เตรียมไว้ล่วงหน้าเพราะต้องลงทุนลงแรงมากทำแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีใครมาซื้อผู้ใดใช้ดาบมัตชะ ผู้นั้นจึงเป็นที่เกรงของคนทั้งหลายทั่วไปเพราะดาบนี้คมมากสามารถตัดฟันสิ่งทั้งหลายให้ขาดได้โดยง่ายและแรงที่ฟันลงไปย่อมหนักหน่วงกว่าดาบธรรมดาเพราะมีน้ำหนักมากผู้เคยใช้ดาบมาตาชะามาแล้วจึงได้เปรียบคู่ต่อสู้ในเรื่องแรงที่ฟันดาบลงไปมีกำลังและน้ำหนักบางครั้งคู่ต่อสู้อาจถึงกับมือชาสะเทือนไปทั่วแขนในขณะที่ยกดาบขึ้นรับ หรือถ้าไม่ระวังให้ดีดาบก็อาจหลุดมือลงไปได้ด้วยเหตุนี้เมื่อมีข่าวว่าพัายระวะบุตรทหารเก่าของอโยธยาผู้ได้รับคัดเลือกเข้ามาในรอบที่สองเป็นคนใช้ดาบมาตชะทั้งครูดาบและบุตรครูดาบก็มีความหนักใจอยู่บัดนี้บุตรครูดาบได้สำนึกขึ้นบ้างว่าความทนงและความลำพองจิตของตนที่เคยมีมาแต่ในการก่อนว่า ตนผู้เดียวเป็นผู้เลิศในวิชาดาบเป็นความเข้าใจผิดเพราะผู้ที่ซุ่มเรียนซุ่มฝึกซ้อมอื่นๆที่แสดงตนให้ปรากฏว่ามีความรู้ความสามารถดีหลายคนในคราวนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงหลักการที่บิดาของตนได้พร่ำสอนอยู่เนืองนิดว่าผู้หัดวิชาอาวุธไม่พึงเป็นผู้ลำพองใจที่ยวหาเรื่องทะเลาะวิวาทควรเป็นผู้สงบสงี่ยมอ่อนโยนอยู่เนืองนิดจึงจะสม กับเป็นผู้เรียนวิชาอาวุธและอุปเทศในการใช้อาวุธอันพึงสรรเสริญครันแล้วการคัดเลือกในรอบที่สองก็ผ่านมาถึงบุตรครูดาบซึ่งสำนึกตนมากขึ้น ได้พยายามฝึกซ้อมและควบคุมจิตใจไม่ให้วู่วามโกรธง่ายครั้นถึงเวลาประรองฝีมือจึงสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึงสามคนครั้นในบรัชที่สได้พบกับผู้ที่เคยเสมอกันมาเมื่อคราวแข่งขันในรอบที่หนึ่งอีกถ้าใครชนะก็จะได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันครั้งสุดท้ายเบื้องพระพักแห่งพระราชาต่อไปฝ่ายไพยระวะได้ชนะคู่ต่อสู้ ครบสี่คนแล้วจึงนับว่าเป็นผู้ที่จะได้เข้าต่อสู้ครั้งสุดท้ายยังเหลือบุตรครูดาบ ก, กับคู่ต่อสู้ผู้ถนัดทางรับและล่อให้โกรธคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้เข้าแข่งขันกับไพระวะเมื่อได้เวลาและมหาอมาตถ์ผู้เป็นประธานได้ให้อาัติสัญญาณแล้วบุตรครูดาบ ก, ก็ตรงเข้าต่อสู้กับผู้เคยทาหน้าของตน ให้เกิดแผลต่อไปในคราวนี้ผู้นั้นไม่ใช่แต่จะหลบหลีกล่อหลอกเพียงอย่างเดียวกับฉลาดในการรุกฟันเอาบ้างในบางครั้งกลวิธีต่างๆของบุตรครูดาบไม่สามารถจะทำให้คู่ต่อสู้เพลีออยงพล้ำได้ยิ่งกว่านั้นยังกลับหาวิธีย่วให้กรดเคืองด้วยประการต่างๆจนสุดที่จะสะกดกลั้นความรู้สึกไว้ได้บุตรครูดาบจึงกลับเข้าสู่สภาพเดิมอีก คือโหมแรงฟันอย่างดักหน่วงรวดเร็วด้วยโทสะมุ่งแต่จะให้ได้ผลคือการฟันให้ถูกคู่ต่อสู้ยิ่งความเจ็บใจในแผลที่แจ้มในการแข่งขันครั้งก่อนยังไม่หมดไปด้วยอัธยาศัยสันดานเดิมของตนก็ปรากฏออกมาเต็มที่แสดงให้เห็นความมุทะลุดุดันอย่างชัดเจนความโกรธนั้นเมื่อเกิดขึ้นจใคยแล้ว ย่อมทำให้เห็นอัดเห็นทมคนฉลาดกลายเป็นคนโง่คนดีกลายเป็นคนเสียความระมัดระวังที่เคยมีก็หมดไปเป็นการเปิดโอกาสให้จัดศัตรูอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อบุตรครูดาบโหมแรงหนักขึ้นคู่ต่อสู้ยิ่งเป็นคนช่างยั่วล่อลอกให้ฟันผิดก้าวเท้าผิดและคราวนี้ได้เตรียมตัวเป็นฝ่ายรุกมาด้วยจึงเริ่มฟันรุก ให้บุตรครูดาบเป็นฝ่ายแย่บ้างในไม่ช้าก็ฟันซ้ำแผลกล่าวที่แ้มได้อีกคกล่าวนี้เลือดไหลามากกว่าคราวก่อนและเมื่อบุตรครูดาบซึ่งไม่เคยเชื่อว่าใครจะปราบตนได้ต้องมาเป็นฝ่ายรับมีพื้นความโกรธในจิตใจอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็ถูกฟันผ่าโพกครบสามครั้งเป็นอันแพ้ใจคู่ต่อสู้หมดหวังจะได้เข้าต่อสู้กับไพระวะ ในที่เฉพาะพระพักแห่งพระราชาต่อไปครูดาบมีความเสียใจในความพ่ายแพ้ของบุตรแต่ในฐานะที่เป็นคนมีจิตใจสูงก็กลับดีใจอีกทางหนึ่งทางนั้นก็คือคําสั่งสอนของตนที่บุตรพยายามปลูกฝังความสุภาพอ่อนโยนความสุขุมรอบคอบไม่ถะนงตนดูหมิ่นผู้อื่นนั้นได้ปรากฏผลให้บุตรของตนได้เห็นอย่างชัดเจนว่า คำสอนของพ่อมีคุณค่าอันควรจดจำไว้เพียงไรการแพ้คราวนี้บุตรครูดาบได้บาดแผลได้เลือดและได้น้ำตาเป็นที่ระลึกแห่งการไม่ตั้งอยู่ในมารยาทของนักดาบที่ดีเป็นการแพ้ที่ทำให้ตนเองต้องสลดรันทดใจอย่างสาหัสความชิดคำหนึ่งดั่งเดิมที่ว่าใครหนาจะฝากแผ้ที่หน้าของตนได้ใครหนาจะสู้ฝีมือบุตรครูดาบได้ กลายเป็นเครื่องหลอกหลอนให้รู้สึกสะท้อนใจอยู่ตลอดเวลาในที่สุดการคัดเลือกครั้งสุดท้ายก็มาถึงปรากฏว่าผู้ชนะในทางต่างๆทุกคนล้วนเป็นผู้มีความอุตสาหะพยายามและความระมัดระวังรอบครอบครั้นแล้วก็ได้มีการมอบรางวัลพิเศษ ให้ผู้ที่มีมารยาทดีในการแข่งขันอีกเป็นพิเศษอันปรากฏว่าผู้แพ้บางคนกลับได้รับรางวัลเพราะมีมารยาทดีก็มีเฉพาะในทางดาบไพรวะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในทางมารยาทดีอีกด้วยเป็นการย้ำการเตือนให้ผู้ดูรู้ว่าเพียงรู้จักจับสัตราอาวุธเป็นเท่านั้นหาพอไม่จะต้องอารมณจิตใจให้สูงพอด้วย ยังจะเป็นผู้คู่ควรแกความสามารถที่มีอยู่แต่ได้มีรางวัลพิเศษอีกรางวัลหนึ่งซึ่งคนทั้งหลายมีได้คาดคิดกันเอาไว้มาก่อนก็คือรางวัลเงินถึง500กาปะณนะแจ่ครูดาบผู้สั่งสอนวิชาเพลงอาวุธแต่ได้เน้นหนักเป็นพิเศษในการอบรมสิทธิ์ให้ตั้งอยู่ในบริยัตยิที่ดีมีศีลธรรมควบคู่กันไปกับวิชาดาบบุตรครูดาบได้พ่ายแพ้ไปแล้ว เป็นการแพ้เพราะความประมาทความไม่สามารถควบคุมความโกรธของตนแต่ครูชราผู้ซึ่งบุตรเคยนึกแย้งคำสอนที่มีความสุภาพเรียบร้อยนั้นกลับเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครเป็นความชนะที่เกิดขึ้นจากคุณงามความดีอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงผู้ที่เสียความหวังยังมีนักเลงสกาอีกคนหนึ่งแต่วิสัยคนผานย่อมหาหนทางอยู่เสมอ ในการที่จะดำเนิน ง, งานทางพานนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นแม้บุตรครูดาบจะแพ้การแข่งขันแต่นักเลงสกาก็ยังเกลียดกล่อมชักชวนไว้เพื่อทำการอย่างอื่นต่อไปคนพานอาจจะตะเกียกตะกายทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมตนให้สูงขึ้นหรือเพื่อทำลายคนอื่นแต่ความสูงของตนนั้นก็มักจะเป็นความสูงเพื่อจะได้ตกลงมาเจ็บๆยิ่งกว่าคนที่อยู่พื้นธรรมดา